หัวข้อเครื่องยับยั้งโมหะ 1. สิ่งไร้ชีวิตได้แก่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามกติกาของเกมกรรมตลอดจนชะตาชีวิตความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในบรรดาเครื่องยับยั้งกิเลสทั้งหลายความเข้าใจถูกต้องตามจริงมีพลังมากที่สุดเหมือนคุณเล่นเกมเก็บดอกไม้ คุณอยู่ในสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างตามองเห็นวัตถุทั้งหลายแจ่มชัดขอเพียงมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าดอกไม้ดอกใดเป็นพิษดอกไม้ดอกใดสวยแต่มีหนามดอกไม้ดอกใดงดงามส่งกลิ่นหอมปราศจากภัยอย่างสิ้นเชิงคุณย่อมไม่หลงเดินเข้าหาดอกไม้มีพิษหรือเมื่อจะเด็ดดอกสวยที่มีหนามก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหรือถ้าอยากได้ดอกไม้งาม ไร้พิษสงก็ตรงเข้าไปเด็ดโดยไม่ลังเลเพราะรู้อยู่ก่อนว่าดอกไหนเป็นดอกไหนเป็นต้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกติกาของเกมกรรมเป็นสิ่งที่หาได้จากสื่อธรรมะไม่ว่าจะเป็นคำภีหนังสือซีดีหรืออื่นๆส่วนที่ว่าใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงสื่อธรรมะแบบไหนถูกต้องตรงตามหลักกติกากรรมเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับว่าทําบุญมาในทิศทางไหนเคยเป็นคนของศาสนาที่มีศาสดาผู้รู้แจ้งแทงตลอดในเกมกรรมเพลงไร่ด้วยบุญเก่าจะเป็นตัวนำร่องพามาสู่กลุ่มศาสนาที่ใช้ความรู้และเหตุผลทํานองเดิมชะตาชีวิต ชตากรรมของแต่ละคนคล้ายบทเรียนให้ได้รู้ให้ได้คิดให้ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิดๆเช่นเกิดมาทุกคนจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกยิ่งถ้าถูกตามใจมากมีพ่อแม่ทำหน้าที่หาทุกสิ่งที่ต้องการมาให้ก็ย่อมหลงเข้าใจไปว่าถ้าอยากได้ต้องได้ต่อเมื่อโตอขึ้นเจอคนขัดใจเจอบทลงโทษของการทำตามใจตัวเอง ก็อาจคลายความหลงผิดได้เว้นแต่โมหะจะหนาแน่นกระตุ้นให้เพลี่ยนพยายามสร้างสมอำนาจและบารมีเพื่อจะคงไว้ซึ่งความรู้สึกว่าตนเองเป็นศูนย์กลางโลกอยากได้อะไรต้องได้เสมอซึ่งหากทำสำเร็จจริงก็เท่ากับว่าชะตาชีวิตมีพลังน้อยเกินกว่าจะเปลี่ยนความเข้าใจผิดดั้งเดิมที่ติดตัวมาแต่แรกได้ โดยรวมแล้วถ้าใช้เกมกรรมนี้ฝึกเห็นความจริงและทำลายความเห็นแก่ตัวลงสักระยะหนึ่งจิตของคุณจะเกิดภูมิคุ้มกันและเหมือนคุณได้สร้างตัวที่ไม่เข้าข้างตนขึ้นมาตัวหนึ่งคอยตัดสินเหตุการณ์ต่างๆอย่างไม่มีโมหะครอบงำแม้คุณยังมีมานะมีความถือดีอยู่ก็ตามเมื่อจะต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครก็จะไม่ยกอารมณ์ขึ้นนาหน้า แต่จะเอาโมโนธรรมมนุษยธรรมได้เหตุผลดีๆขึ้นมาเป็นหลักตั้งเสมอสองสิ่งมีชีวิตได้แก่ผู้รู้ความจริงเกี่ยวกับเกมกรรมและกติกาของเกมกรรมเช่นพระพุทธเจ้าผู้มีอภิน ญ, ญาสาวกผู้เจริญรอยตาม ตลอดจนผู้มีความเห็นถูกเห็นตรงพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รู้จักเกมกรรมแบบแทงทะลุยิ่งกว่าทุกคนทราบชัดว่าเจตนาคือกรรมทราบชัดว่าผลของกรรมแต่ละประเภทคือภพภูมิหรือชะตาชีวิตแบบไหนตลอดจนทราบชัดว่าจะดับกรรมด้วยการเข้าให้ถึงนิพพานได้อย่างไร ส่วนกรรมอันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพระพุทธเจ้าคือการเคยได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนสามารถนำคนออกจากเกมกรรมได้มากมายแล้วเกิดแรงบันดาลใจตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะนาพาผู้คนหยุดเล่นเกมกรรมบ้างซึ่งกว่าจะทําเช่นนั้นได้ก็ต้องบําเพ็ญบารมีในเกมทรหดที่ออกแบบไว้รองใจผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้านับครั้งไม่ถ้วน จนมีคำเรียกว่ามากครั้งเป็นอนันตชาติผู้มีอภินยาคือผู้ที่มีความสามารถรู้เห็นความจริงที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่าตลอดจนคณเนไม่ได้ด้วยการคิดคำนวณเช่นค่ามดค่าแมวค่าหมูค่าช้างค่ามนุษย์ค่าพระค่าพ่อค่าแม่จะมีผลใหญ่น้อยต่างกันเพียงใด แม้มนุษย์ทั่วไปรู้สึกว่าต่างแต่ก็ไม่ทราบว่าต่างแค่ไหนส่วนผู้มีอภิน ญ, ญาจะเห็นเป็นภาวะที่ต้องได้รับโทษทันอย่างชัดเจนเป็นนิมิตภาพเลยทีเดียวผู้มีอภิญญาได้ทำกรรมในทางบำเพ็ญเพียรฝึกจิตละเว้นกรรมคุณเข้าสมาธิตึงความเป็นหนึ่งหนักแน่นได้ตามปรารถนาและสามารถประกาศบอกความจริงเกี่ยวกับกติกาของเกมกรรมได้ระดับหนึ่ง แม้ไม่รู้แจ้งแทงทะลุเหมือนพระพุทธเจ้าก็พาสานุสิตรอดจากนรกและเข้าถึงสวรรค์ได้หากจำนวนสานุสิทธ์ผู้สืบทอดคำสอนมีมากพอก็ยกระดับขึ้นเป็นศาสดาได้สาวกผู้เจริญรอยตามคือผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือศรัทธาในผู้มีอภิญญา เชื่อว่าเหล่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องกรรมและผลแห่งกรรมจึงประพฤติปฏิบัติตามและเมื่อปฏิบัติตามจนกระทั่งผ่องใสด้วยบารมีธรรมอันแก่กล้าแล้วก็ย่อมเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้พบเห็นให้อยากเอาตามแม้ระดับสาวกจะไม่รู้แจ้งในผลแห่งกรรมเท่าพระพุทธเจ้าหรือผู้มีอภิญญาแต่ก็ช่วยพระพุทธเจ้าหรือผู้มีอภิญญาจดจา และบอกต่อคําสอนได้กําจัดโมหะให้ผู้อื่นได้ผู้มีความเห็นถูกเห็นตรงคือผู้ที่ทราบจากประสบการณ์ตรงผู้ที่รู้คิดได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดเป็นโทษกรรมใดเป็นเหตุให้สุข ก, กายสบายใจในวันหน้ากรรมใดเป็นเหตุให้เดือดเนื้อร้อนใจในภายหลัง เมื่อคบค้าสมาคมกับผู้มีความเห็นถูกเห็นตรงก็ย่อมมีโอกาสได้คิดตามและเห็นจริงตามเช่นเมื่อห้ามใจไม่คดโกงทั้งที่มีโอกาสชีวิตย่อมอยู่เป็นสุขโดยไม่ต้องระแวงว่าใครจะมาล่าตัวไปเข้าคุกเป็นต้นหัวข้อ เครื่องต้านการเกิดใหม่นักฆ่าตัวตายให้คำตอบได้ดีว่าทำไมคนเราไม่ควรมีชีวิตอยู่ซึ่งคำตอบง่ายๆสั้นๆก็คือชีวิตมันเป็นทุกข์จบชีวิตก็เป็นสุขนักฆ่าตัวตายถูกอยู่ข้อหนึ่งก็ตรงนี้ชีวิตเป็นทุกข์ไหนจะต้องดิ้นรนเอาตัวรอดไหนจะต้องเจอแรงบีบคั้น ให้เลือกอยู่ข้างความดีหรือความชั่วไหนจะต้องเผชิญหน้ากับแรงเสียดทานต่างๆนาน า, นาทั้งภายนอกและภายในหากไม่เกิดเลยก็ไม่ต้องเข้ามาสู่โลกนี้อย่างไม่รู้อิโนอิเนไม่ต้องพบกับแรงบีบคั้นไม่ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานใดๆให้ยุ่งยากใจความทุกข์ความท้อความทรมานอไม่น่าพิสมัย มีรสชาติไม่ชวนให้ติดใจในโลกนี้นี่เองที่เป็นเครื่องต้านเครื่องยับยั้งไม่ให้มนุษย์อยากเกิดมาอีกรสชาติอันน่าเข็ดลาบของการมีชีวิตนี้เพียงพอสำหรับหลายต่อหลายคนที่จะตัดสินใจได้ว่าไม่อยากเกิดใหม่หากชาติหน้าจะมีจริงอย่างไรก็ตามนักฆ่าตัวตายและคนทั้งหลายผิดอย่างมหัน ที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกไม่มาเกิดใหม่อีกถึกทักเอาเองว่าเกมกรรมเล่นง่ายปานนั้นนึกอยากเลิกก็เลิกนึกอยากหยุดก็หยุดแต่ที่แท้เกมกรรมใจร้ายกว่าที่คุณคิดลำพังแค่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวอยากหลุดรอดจากเกมด้วยการเปลีชีพตนเองทิ้งดือด้อนั้นจะต้องถูกปรับถูกทำโทษโดยวัดจากเหตุผลบีบคั้น ว่าหนักหนาสาหัสปานใดฆ่าตัวตายเพื่อตนเองหรือคนอื่นขณะตายมีจิตที่เศร้าหมองหรือทรงสติไว้ได้เกมใหม่จะเริ่มเปิดฉากโดยถือเอารายละเอียดในช่วงท้ายๆของเกมเป็นเกณฑ์ถ้าเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของการเกิดมาเล่นเกมกรรมยังไม่รู้อิโนอินเน กับทั้งรู้ให้ถูกรู้ให้ตรงว่าจะเลิกเล่นเกมกรรมได้อย่างไรก็จะนับเป็นผู้ฆ่าตัวตนได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องตายซะก่อนเพราะตัวตนนั่นเองที่เล่นเกมกรรมหมดตัวตนก็เท่ากับหมดผู้เล่นแล้วอย่างถาวรความรู้ทางจบเกมไม่ได้มีมาให้เองและก็ไม่ได้มาบ่อยๆถ้าบทอวสานของเกมกรรมเกิดขึ้นง่ายนัก วันนี้คุณจะไม่เหลือใครเล่นเกมกรรมให้เห็นเลยสักคนแต่เพราะมันยากมากคุณเลยยังเห็นผู้เล่นให้เกลื่อนโลกเกลื่อนจักรวาลอยู่อย่างนี้สรุปคือความเป็นมนุษย์ของคุณคือพลังต่อต้านแรงบีบคั้นคุณแค่เลือกว่าจะอยู่ข้างตัวเองหรือว่าจะเลือกเข้าข้างแรงบีบคั้นเท่านั้น จบบทที่หรูปภาพทิ้งท้ายคนหนึ่งบ่นว่าเบื่อท้อเหงาเศร้ า, าอยากประชดนะักอีกคนก็ตอบว่ายิ่งประชดก็ยิ่งลดแรงต้านเลยยิ่งเบื่อยิ่งท้อยิ่งเหงายิ่งเศร้ายิ่งอยากประชดหนักเข้าไปอีก